พวกเราคงรู้จักเดียินชื่ออาจารย์กำฝนทองบนนุ่มนะท่านเป็นคนพิการโะ้ปฏิเหตุตั้งแต่สาสิบปีที่แล้วโนตลหลังก็มาเรียนทําจากหลงพกรคำเขียนได้รับคำแนะนำ ทางจดหมายพอท่า น, ะน ก, ก็แนะนำให้ปฏิบัตินะเรือการพลิกมือไปมาปพราว่าพิการเดินยกงกองก็ไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะ ก, ก็ลำบากพอพิการตั้งแต่คอลงมาแต่ว่ามือก็ยังพอขยับขยื่นได้บ้างตอนหลังก็ได้ เห็นความจริง <newly> ว <jour amo> <c oughs> ่าโอที่พิการนี่จริงๆมันพิการแต่กายนะใจไม่ได้พิการด้วยไปหลงคิดตั้งนาว่าเราพิการเราพิการพอเห็นความจริงว่ามันมีแต่กายกับใจและกายกับใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเพื่อเพื่อมีแต่กายกับใจไม่มีเราไม่ั้นพิการก็ากายพิการเราไม่ได้พิการด้วย พอเห็นความจริงอันนี้เนี่ยจิตเราจะความผิกการเป็นเลยลจิตเราจะความทุกข์ก็ต่หลังก็ได้เป็นอ่าอาจารย์สอนธรรมะซึ่งท่านมักจะเรียกตัว่าเป็นอุปกรณ์สอนธรรมอสอนธรรมทั้งเรื่องเรื่องของความเป็นอันนิจจังทุกขังอนาตาัตตาสอนธรรมว่ามันไม่เที่ยง จะพิการเมื่อไหรก็ไม่รู้หรือว่ายังไงยังไงก็ต้องร่างกายก็ต้องเสื่อมต้องแก่ต้องชารานะต้องเนียนเป็นไปไม่ควรประมาทกับชีวิตแล้วขณะเดวกันก็สอนทำว่าพิการนี่มันพิการแต่กายนะใจไม่ใช่พิการด้วยพิการ แต่กายนั้นเพราะอุบัติเหตุนะแต่ถ้าเผลอปล่อยให้ใจพิการนันนั่นเป็นเพราะใจของตัวเองนี่แหละทําซ้ําเติมตัวเองนั่นถ้าเห็นความจริงวันนี้จิตนก็หล่อจะความพิการไปจะเรียกว่าจิตหล่อจะความพิการก็ไม่เชิงนะเพราะไม่เคยพิการมาก่อนเรืรรอติดหล่จากความทุกข์มากกว่า ในช่วงสองปีหลังนี้ทั้งก็พะว่าเป็นเป็นมะเร็งมะเร็งที่ตับในมะเร็งที่ตับนี่ก็รักษาไม่ได้นะก็ู่ที่ว่าจะเกบยือหรือเปล่าท่านก็ตัดสินใจว่าจะไม่ยืดก็เพียงแต่รักษาไปตามอาการแต่ว่า ก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรนะแม้ว่าอากามเจ็บป่วยทำให้มีความมีทุกขเวทนาท่านก็ยิ้มได้ไปเยี่ยมทีไรก็หน้าตาก็สดใสแม้ว่าจะเพลียพูดไม่ค่อยได้นานๆแล้วก็ยิ้มให้พวกเรานะรู้สึกว่า ความสุขนี้มันก็เป็นได้แม้กระทั่งกับคนป่วยหรือว่าป่วยหนักมันไม่ใช่ว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้คนที่ไม่ป่วยสุขภาพดีเท่านั้นอาจารย์กำพลก็พูดนะได้พูดว่าเนี่ยก็ยึดถืออยู่เสมอหรือว่าตนหนักอยู่เสมอเนาะก็คือว่าถ้ายอมรับนะ ที่ที่ทุกวันนี้ไม่ทุกข์ทรมาร ก, ก็เพราะยอมรั บ, ย อ, รบยอมรับความจริงยอมรับความจริงเรื่องมะเร็งนะไม่ไม่ผักใสมันไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายยอมรับความจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นไปก็คือว่า ดูแลรักษาเยียวยามันยังไรนะมันก็คงจะไม่ดีขึ้นก็ก็มีแต่จะแย่ลงไปแย่ลงไปแย่ลงไ ป, งไปก็ยอมรับนะและประการที่สาคือยอมรับความตายก็คือเมื่อรักษาไม่ได้เยียวยาไม่ได้ มันแย่ลงแย่ลงเน้สุขก็ต้องมีความตายนะเป็นเป็นที่สุดนะไอ้สามยอเนี่ยอมรับสามอย่างนี่ก็เรียกว่าเป็นเคล็ดลับนะของอญญรรากกมพลที่ทำให้ยังมีความสุขอยู่ได้ยอมรับความจริงยอมรับความเป็นไปว่า ม, มันก็จะแย่ลงไปแย่ลงไป ถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนั่นทีแต่ว่ารู้ล่วงหน้าล่วงหน้าก็ทำให้ไม่วิตกกังวลบางคนนี่ยังเป็นมะเร็งแล้วมันก็ยังไม่ได้ลูกลามระยะสุดท้ายแต่พอยอมรับไม่ได้นี่ทางที่อาการระยะสุดท้ายยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ทุกข์แล้วทุกข์ล่วงหน้าไปแล้วพอยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ว่ามันจะต้องไปถึงจุดนั้น ส่วนทาประกาณที่สามด้วยความตายก็ยังไม่ไม่มาประชิด ต, ตัวยังไม่ได้อยู่ระยะสุดท้ายยังไม่ได้ใกล้ตายแต่ว่าพอรู้แล้วว่าหรือพอคิดว่ามันจะต้องตายหรืออาจจะต้องตายพอโลกนี้ก็ยอมรับไม่ได้ก็ทุกเนะี่ยทุกใจทั้งที่ กายยังไม่ได้ทุกเท่าไหร่บางที่ยังห่างกลจาความตายแต่ทุกไปซะและ้วเรียกวทุกลวงหน้าอะไรทุกแบบนี้มันมันกัดกร่อนบีบคั้นจิตใจยิ่งกว่าไอ้ความยิ่งกว่าตัวก้อนมะเร็งซกนะกเนี่ยเดีถ้าอยอดรักเดีถ้ายอดรักสามสาประการนี้ได้มันก็ป่วยแต่กายใจก็ไม่ป่วย ก็อยอมรับความจริงนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามันอย่างน้อยๆ น, น, นี่มันก็ช่วยทําให้ความทุกข์ที่เกิดจากใจของเราเนี่ยมันลดน้อยลงหรือว่าไม่มีเลยนะมันก็มีแต่ความทุกข์กายเพราะโรคภัยไขเจ็บนะแต่ว่าทุกข์เพราะการผักไสไม่ยอมรับเนี่ยมันก็ไม่มี อย่างที่บอกไว้แล้วว่าความทุกข์เนี่ยถ้าเป็นความทุกข์ใจมันเกิดจากจิตที่มันดิ้นดิ้นเพราะอยากจะได้หรือดิ้นดิ้นเพราะผลักไสก็แล้วแต่การย้อนนี่มันทําให้จิตเนี่ยหยุดดิ้นหยุดบนหยุดโวยวายหยุดตีโพยตีพายซึ่งก็จะช่วยทําให้ความทุกข์ใจมันลดลงไปเยอะ มันก็เลืแต่ความไม่สบายกายความไม่สะดวกกายนะหรือว่าความเจ็บป่วยทางกายเท่านั้นเองอันนี้กรเป็นเป็นยาเป็นยาขนาดนั้นเะถ่านนการยอมรับความจริงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับความเจ็บป่วยมีหมอคนหนึ่งเขาเล่าว่าเคยได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งที่บ้าน หมอผู้หญิงคนนี้ก็ขอดูขอดูประวัติพอเห็นแล้วก็หนักใจว่าคนไข้นี้เป็นมะเร็งที่ใบหน้าซึ่งเป็นมะเร็งที่หายากแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วยมากแล้วมะเร็งนี้ก็กินกินแก้มเข้าไปเป็นแผลใหญ่ลามไปถึงบางส่วนของจมูกแล้วก็ ซึ่งก็แปลว่ามันมันลานไปเยอะแล้วก็แปลว่ามันต้องทุกข์ทรมานมากในอเมริกาคนที่ป่วยด้วยมะเร็งที่ใบหน้านี้หนึ่งในสี่นะหรือ 25% คบซต่าตัวตายเพราะว่านอกจากปวดทางกายแล้วเนี่ยมันยังสร้างความทุกข์ใจเพราะว่าคือเสียโชมนะแล้วก็ คนก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นไม่คอยอยากจะเข้าหาไม่ค่อยอยากจะไปคบค้าสมาคมโดยเพราะว่าแผมดูน่ากลัวแม้จะปิดแพ้ก็ตามและที่สำคัญคือว่าโรคนี้เนี่ยถ้าไปเจอแดดแรงๆเนี่ยมันก็ปวดมากงั้นจะต้องเก็บตัวอยู่ในในอาคารในห้องนะที่มีม่านพรางแสงเอาไว้ลองนึกภาพวันที่เก็บตัวในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยไม่ไปเจอผู้คน ออกไปก็ไม่ได้เนี่ยมันก็หดหูนะหดหูก็ก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าแปลกใจทำไมถึงฆ่าตัวตายกันมากมายเงั้นหมอนี้แกก็หนักใจเพราะว่าคงก็ไปเจอคนไข้ที่ที่อารมณ์หงุดหงิดนะเป็นคนไข้ที่ดูแลด้วยยากแต่พอไปถึงบ้านก็ผิดคาด ถ้าคนไข้คนนี้วัยสี่สิบกว่าผู้ชา ย, ยก็โอภาปราสายดีสัก ถ, ถามหมอเป็นยังไงสบายดีไหมคือถ้าถ้าถามแบบนี้ก็แสคนไข้นี่คงไม่ได้หมกมุ่นกับตัวอย่างยังยังมีความใส่ใจผู้อื่นบ้างก็คนไข้ันนี้ก็พูดคุยออกับหมอดี คุยไปคุยมาก็เล่าประวัตินะว่าแกเคยตอนอยังหนุ่มแกว่าใช้ชีวิตแบบเสพเพลงสัมเเลเทมเมากินเหล้าสุบบรีเนะมาหัวราน้ำเรียกว่าใช้ชีวิตด้วยพฤติกรรมเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแบบนี้นม้กระทังแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ดูแลครอบครัวมีลูกก็ไม่ดูแลลูกจนเมียขอหย่าไม่รู้ก็ไปอยู่กับเมียก็ยังใช้ชีวิตแบบสัมเบลเทมเมา แต่ก็ไม่ได้เป็นอนันตรพายอะไรก็ก็ทางานทำการรับผิดชอบงานการแต่ใช้ชีวิตแบบนี้นะในสุขภาพตัวเอเป็นมะเร็ง <c oughs> แต่ก็มานึกดูไอ้พฤติกรรมอง <c oughs> ที่เป็นมะเร็งนี้ก็เพราะพฤติกรรมแบบนี้แหละคือยอมรับนะว่าไอ้ที่เราทำตัวยแย่แบบนี้มันมันก็ทำให้เป็นมะเร็งก็เหมือนกับว่าก็สมควรแล้วนะ แกก็คงนึงในใจแบบนั้นก็คือยอมรับได้ว่านะว่าที่เราเป็นมะเร็งก็เพราะเราทาตัวไม่ดีเองแต่ว่าเหตุผลที่มากกว่านั้นที่ทำให้แกสงบได้นะยอมรับโรคนี้ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่บ่นเว้ยไว้ไม่ทุรนทุรายไม่เครียดแค้นไม่คับคล้องใจเนี่ยก็เพราะว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือแก ทุกวันไม่มีอะไรทำนอกจากว่ารูปแล้วไปว่านั่งดูโทรทัศน์ช่องที่กดูกีเ็ c n แล้วซ n เนมันก็มีแต่ข่าวคราวนะเรื่องราวอุบัติเหตุอาญ ก, กรรมแผ่นดินไหวน้ำท่วมทุพภิกภัยโรคระบาดการก่อการร้ายมันรู้แล้วแต่เป็นเรื่องของความ ของผู้คนทั้งนั้นทั้งนั้นแต่ดูแล้วก็เกิดได้คิดขึ้นมาเออความทุกข์นี่เป็นธรรมดาของมนุษย์นะมนุษย์นี้ทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราอะจนมันก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นพอคิดตรงนี้ก็โยมมันตัวเองว่าเออความเจ็บปวดของเราเนี่ยมันก็วิสาตากลาของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดกับมนุษย์แกก็เริ่มยอมแล้วได้ว่าความทุกข์แกเป็นธรรมดาโลกนะ พอยอมรับได้นี่ไอ้ความความทุกข์ใจความหงุดหงิดความคับแค้นเนี่ยมันก็ไม่มารบกวนจิตใจแกก็มีแต่ความทุกข์กายซึ่งแกก็ทนได้ยอมรับได้ก็ไม่ได้คิดว่าจะ เมื่อคิดว่าจะไม่ตายนะเพียงแต่ว่าจะอยู่ให้ได้นานที่สุดะเพื่อที่จะได้ดูแลมีเวลาอยู่กับลูกให้มากขึ้นเว่าที่ผ่ามาไม่เคยได้ดูแลหรืออยู่กับลูกเลยหมอบอกว่าแกอยู่ได้สามหเดือนแกก็กยุตเป็นปีแต่ตอนที่แกตายก็ตายแบบไม่ได้ทุรนทุรายเลยตา ย, ยางสงบตอนที่อยู่ก็อยู่แบบไม่ได้ไม่ได้ทุกทรมานนะตอนตายก็ก็ตายสงบ อันนี้ก็เชื่อเคล็ดลักของแกคือการที่แกยอมรับได้ยอมรับไม่ใช่ยอมรับเพียงแค่เออที่เราเป็นมะเร็งก็เพราะว่าเราทําตัวเราเองเท่านั้นแต่ยอมรับว่าไอความทุกข์ของแกมก็เป็นส่วนของมันเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมุทั้งโลกนั่น สิ่งที่เกิดขึ้นกับแกก็ก็เหลือแค่ความทุกข์กายนะแต่ว่าทุกข์ใจก็น้อยมา ก, การยอมรับถึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะไม่ว่าในเราตกอยู่ในสถานการณ์ในเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่แต่ถ้ายอมรับไม่ได้มันทรมานมากนะมันก็ไม่ใช่แค่เรียกว่าไม่ใช่แค่ถ้าป่วยก็ไม่ได้แค่ป่วยกายจนะป่วยใจด้วย มีหมอคนหนึ่งนะก็เป็นผู้ที่สนใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายแล้วต้องเจอคนไขท้ที่อาการหนักแล้วแกก็มีความสามารถในการที่ช่วยคนไข้นี้เขายอมรับความจริงได้แล้วก็ช่วยให้ตายสงบได้บางทีก็เจอคนไข้ที่ที่ไม่ยอมรับ นะความจริงนะไม่อยา่าละความตายนะมีความทุกข์มีความกังวลแกก็พยายามที่จะพูดพยายามที่จะคุยนะจนกระทั่งคนไทยก็ยอมรับได้แล้ววันหนึ่งแกก็พวตวตัวแกแกก็เป็นโรคนะเป็นโรคที่รักษาองก็รักษาไม่ไม่หายแล้วก็มันสร้างความเรียกว่าทําให้ทํางานทําการไม่ได้ เป็นปีนะสร้างปัญหากับครอบครัวมากเพราะว่าลูกก็ยังเล็กไม่มีไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้่านนอนป่วยแล้วก็รู้สึกคับคล้องใจนะคับคล้องใจที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยงานการก็ทำไม่ได้ต้องกลายเป็นภาระของ คอบครัวเป็นภาระของแม่ภาระของภรรยาแล้วก็อยู่ไปอยูไปมันก็มีความทุกข์ใจมากความทุกข์ใจก็เล่นงานเหมือ น, นแบบกุ้มหลุมสารพัดถ้าถึงจุดหนึ่งก็สุดแย่นะว่าทำไมเราเราเป็นอย่างนีนะ้คือนอกจากเป็นภาระของผู้อื่นแลน้วนี่ทำไมเรายัง ไม่สามารถที่จะทําใจให้ยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยผู้ป่วยนี่เขายอมรับช่วยผู้ป่วยเขาไปสงบแต่ตัวเองนี่จิตใจว้าวุ่นนะนะเคยถึงขั้นไปทะเลาะเบาแวงกับหมอแล้วก็ไปทะเลาะกับภรรยาบางทีถึงขั้นที่จะถึงขั้นด่ากัน ก, ก็มาเสียใจตอนหลังก็คิดถึงขั้นว่าอยากจะทำลายตัวเองผูนะ้หมอที่เคยช่วยคนผู้ป่วยตายสงบนะแต่ตัวเองนี่กลับพยายามที่จะทำลายตัวเองแล้วก็ความจึบความป่วยที่เลื้อหลังเป็นปีมีวันหนึ่งเพื่อนก็ไปเยี่ยมนะเพื่อนก็ฝาก ถามว่าจะมีอะไรเขียนถึงหมอคนนี้ไหมก็เลยเขียนไปก็บอกแกว่าให้ให้ยอมรับตัวเองให้ได้นะว่าเรานะเราไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะเราคนเราก็มีจุดอ่อนนะไม่สามารถที่จะเป็นอย่างที่เราคาดหวังได้ให้วางความคาดหวังเกี่ยวกับตัวเองลงนะแล้วยอมรับตัวเองอย่างที่เป็น ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะไม่ใช่เพียงแค่ยอมรับโรคที่มันเกิดขึ้นนะแต่ยอมรับตัวเองนะนะเพื่อนก็เอาไปให้เอาจมยไปให้อ่านแล้วก็มาเล่าว่าพอได้อ่านแล้วเนี่ยแกก็สุดดีขึ้นเลยนะวันรุ่งขึ้นก็ยิ้มแย้มนะหน้าตาดูดีขึ้นนะคือ ที่แกความทุกของแกเนี่ยมันไม่ใช่เพ่งเพยงเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีโรคซึ่งทำให้ตัวเเป็นภาระนะแต่ตัวเองยังยอมแต่ที่ทำให้ทุกข์มากคือความทุกข์ใจนะที่ตัวเองต้องเป็นภาระของผู้คนแล้วทุกข์ใจที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะเป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังได้คือเราาเราเราเป็นวิทยากรเราเป็นคนที่ช่วยพาคนป่วย เผชิญความตายสงบได้แต่ตัวเองนี้กับทํากับตัวเองไม่ได้มันสุดแยกกับตัวเองมากความสุดแยกกับตัวเองเนี่ยนะมันทํามันมันสิ่งที่กัดก่อนจิตใจอที่ทําให้ตัวเองนี่ไม่อยากจะอยู่แล้วแต่เมื่อก็ตามที่ยอมรับตัวเองได้เออเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะยอมรับมาตัวเองแย่ยอมรับตัวเองเนี่ยมีจุดอ่อนมันก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเลย นะไม่ใช่แค่ยอมรับสถานการณ์ไม่ใช่ยอมรับเหตุการณ์แต่ยอมรับตัวเองด้วยนะว่าเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกเราก็ไม่ได้เก่งไปเสียทุกเรื่องคนเราถ้ายอมรับตรงนี้ได้เนี่ยมันมันมันรักตัวเองนี้เยอะเลยนะหมอคนนี้เนี่ยแกยอมรับตัวเองไม่ได้แกก็เลยเกลียดตัวเองเราแย่เราไม่ดี แต่ตอนที่ที่ยลละได้เออใช่นะเราเป็นอย่างนั้นเองนะเราไม่ใช่เป็นเราเป็นปุถุชนเรายัางต้องเป็นผู้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้พอยลละตรงนี้ได้มาเราก็ยกผอวจากอกเลยนะแล้วก็ทําให้จิตใจก็ดีขึ้นพนะอเปลนี่ละ ร, ร่างกายมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะพอใจมันดีนะ เคยไปเคยไปอยู่ที่มารวดีเนะมื่อประมาณสักยี่สิบห้าปีที่แล้ววัดของหลวงพ่อจุเมทโทช่วงที่ไปอยู่นะ ก, <c oughs> ก็มีพระรูปหนึ่งนะเป็นพระที่ก็ประมาณ 10, สาักสิบกว่าพรนษาท่านป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้อาการก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงรักษาด้วยแพทย์แผน ไม่ก็ไม่ดีขึ้นก็เลยอลองใช้แพทย์แผนทางเลือกแผนโบราณก็ไม่ดีขึ้นมันไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเพลินๆนก็ไปให้กำลังใจนะไปให้กำลังใจบอกให้สู้ให้สู้ใครไปใครเท้าถาเป็นไงดีขึ้นไหมนะแกก็ ก็พยายามที่บอกเพื่อว่าดีนะแต่ใจจริงแกมันแกรู้ว่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยมันแย่ลงนะแล้ววอาจารย์สุมเมโทโก็ไปเยี่ยมนะตอนที่แกก็แย่แล้วนะอาจารย์สุมเมโกก็บอกว่ากิติสาโรนะชื่อกิติสาโรถ้าท่านจะตายก็ตายได้นะอั น, นุญาตให้ตายนะอย่าเป็นยินลนมาก โอ้พกคนไข้นี่ร้องไห้เลยนะไม่ใช่ร้องไห้เพราะเสียใจที่อาจารย์นี่มาขับไล่สส่งนะร้องไห้ที่อาจารย์ทําให้ตัวเองเนี่ยนะมันหมดภาราทันทีคือที่ผ่านมาเนี่ยความทุกข์คือความทุกไม่สบายใจว่าเราไม่ดีขึ้นเลยนะเพื่อนก็สามารถให้กําลังใจ เพื่อนก็อยากจะเห็นเราหายแต่เราก็ไม่หายทุกทีรู้สึกแย่กับตัวเองมากก็พยายามดิ้นลนพยายามต่อสู้กับความป่วยพยายามที่จะฝืนใจพยายามต่อสู้กับความตายเพื่อไม่ให้เพื่อนผิดหวังแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยรู้สึกแย่มากแต่พอาจาสมัยโทรมาวันนี้มันก็ว่าเออเราไม่ต้องพยายามแล้ว มันเหมือนกันยกภูเขาจากอกไปเลยสบายใจคือสบายใจที่ถ้าจะตายหรือถ้าจะแย่ลงก็ ก, ก็สบายใจว่าสบายใจที่มันจะแย่ลงสบายใจที่จะต้องตายไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปที่ร่างกายเราแย่ร่างกายเราไม่เป็นไปอย่างที่เพื่อนเพื่อนคาดหวังจิตมันไม่ดิน้นละนะจิตมันไม่ดิ้นอย่างที่เคยดิน้นจิตมันไม่ฝืนอย่างที่เคยฝืนปอกว่าในสุดหายนะ ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นตามลำดับเลยนะคือพอยอมรับได้เออเราแย่แล้วเราแย่ลงก็ยอมรับได้เราจะตายก็ยอมรับได้มันดีขึ้นทันทีเลยนะตัวนี้มีชีวิตอยู่นะแต่ว่าตอนหลังก็สึกไปตัวนี้ยังสอนกรรมฐานอยู่ที่อยู่ที่แ อ, อฟริกาใต้ถ้าจาไม่ผิดคือเพียงแค่ยอมรับมันเท่านั้นนะนะ ใจมันสบายใจมันรู้สึกมันไม่ต้องมันไม่ดิ้นอีกต่อไปฉะนัจะว่ายอมการยอมรับที่มันเป็นยาพิเศษเป็นธรรมโอสถอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าเ อ, อยอมลับมันจะหายนะหายจากโรคนะแต่เพียงแค่ยอมร่างเดียวทำให้ใจสบายและความทุกข์ที่เหลือนอกนั้นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องเล็กไปเลยไอ้เรื่องใหญ่คือใจที่ยอมรับไม่ได้มากกว่า หลายคนเนี่ยนะบางทีก็เจอเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่พอยอมรับไม่ได้นี่มันโหเป็นเรื่องใหญ่นะหญิงสาวบางคนเนี่ยเพียงแค่มีสิวเนี่ยเพียงแค่หน้าเป็นฝ้าเนี่ยโอ้ยทันทีที่ยอมรับไม่ได้นี่มันทรมานเลยเรียกว่าน่าจะทุกข์กว่ากว่าคนแค่ที่เป็นมะเร็งที่ใบหน้าด้วซ้ําเป็นมะเร็งมะเร็งที่ใบหน้าแต่ยอมรับได้เนี่ยโอ้มันนอนนอนหลับนะ กินได้นอนหลับแต่ถ้าเป็นเจียวนี่เรายอมรับไม่ได้นี่นะมันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเห็ <c oughs> นได้ชัดเลยนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ไล่เท่ากับว่าเรายอมรับมันไม่ได้ได้ท้องพักหรือได้กุฏินะที่อาจจะไม่สบายไม่ไม่สะดวกสบายเท่าไหร่แต่พอไม่ยอมรับมันนะ เห็นแต่ข้อเสียของมันบ่นวอยวายตีโพยตีพายทำไมเราต้องมาได้ห้องแบบนี้ได้กุฏิแบบนี้เราจ่ายเงินไปแล้วทำไมได้แบบนี้นะโอ้มันสร้างความทุกข์ใจยิ่งกว่าความไม่สะดวกสบายของห้องซะอีกได้งานที่ไม่ชอบนะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังยอมรับไม่ได้บ่นวอยวายตีโพพ งานหนักงานไม่ถูกใจอะไรต่างไม่ตรงความสามารถงานต่ําต้อยก็กลายไปว่าไอ้ปัญหาที่เกิดจากงานเนี่ยนะมันดูเล็กไปเลยนะเมื่อเทียบกับปัญหาที่เกิดจากการที่ไม่ยอมรับเกิดจากการที่โวยวายตีโพยตีพายลองพิจารณาดูนะเวลาเราไปเราตกอยู่ในสานการหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามเนีบางทีมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะ แต่พอเราไม่ไม่ชอบมันเราไม่ยอมรับมันเรารังเกียจมันนะมันไอความรังเกียจนี่แหละสร้างปัญหาให้เรายิ่งกว่าไอสิ่งที่เราเจอสนะิแต่คนไม่ค่อยจะตระหนักตรงนี้นะไปโทษสิ่งภายนอกไปโทษเหตุการณ์ไปโทษสถานการณ์นะแต่ไม่ได้มองมาที่ใจตัวเองแล้วนะไอความไม่ชอบการผักไสนี่แหละที่มาสร้างปัญหาแต่ตทันทีที่ยอมรับได้นะ ไอ้เรื่องไอ้สิ่ง ท, ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยแล้วกลายเป็นเรื่องที่ธรรมดามากอาจารย์ประมวลเพลงจันยังเคยเล่านะท่านเคยไปเรียนที่ปริญเรียนปริญญาเอกที่เอินเดียตอนเป็นพระแล้วก็มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมากนะทำให้เกลียดอินเดียมากเลยเมื่อกลับมาเมืองไทยก็เกลียดแล้วก็คิดว่าจะไม่กลับไปอินเดียอยีก ตอนหลังผ่านไปสามสิบปีเมื่อือเมื่อราลึกนึกย้อนไปถึงประสบการณ์นในอินเดียรากว่ามีความทราบซึ้งนะจนกระทั่งบางทีเนี่ยอยากจะเรียกว่าขอบคุณเลยเนี่ยอเหตุการณ์ที่เคยทำให้น้ำตาไหลเนี่ยมาเดี๋ยวนี้เนี่ยนะอยากจะขอบคุณเหตุการณ์นั้นเพราะว่ามันทำให้แกเป็นอย่างนี้เป็นอยู่ทุกวันนี้ เหตุการณ์ยังเหมือนเดิม น, นะแต่ความรู้สึกเปลี่ยนไปนะี่ยเราก็เลยอยากจะกลับไปเพื่อที่จะขอบคุณอินเดียจากเดิมที่สาบส่งนะตอนนี้ไปเพราะขับเก็เลยขอบคุณแล้วตอนที่ไปอินเดียเนี่ยเมือ่อครั้งห ล, ห, หลังจากที่ห่างหัวหน้าไปสาสิกว่าปีก็คือเมื่อสิบปีที่แล้วประมาณนั้นนะก็ตั้งใจว่าเนี่ย จะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียนะแล้วคน็นอินเดียมักจะบ่นนะบ่นโน่นบ่นนี่นะมีเรื่องมาเล่าสารพัดเรื่องที่อินเดียไม่ดีงว่าไม่ดียัยงนี้นะแต่อาจารย์ประมวลเนี่ยตั้งใจเนี่จะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียถือว่าเป็นสิ่งที่เทวดาหรือเทพ ย, ายดาที่นั้นมอบให้นะ อยอดรับใชจะเป็นองอินเดียจริงๆคือว่าแม้กระทั่งว่ารวมถึงกระทั่งว่าเขาเรียกเงินเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นรถรถเมล์รถโดยสารรถตุ๊กตุกแท็กซี่จะเรียกเท่าไหร่ก็จะให้ไม่มีคําว่าต่อนะถ้มีคราวหนึ่งนะก็นั่งรถไฟชั้นสองนะกิชั้นชั้นสองชั้นชั้น ส, ม, ส, นสมเนี่ยนั่งไฟชั้นสาม ไปนะก็มีที่นั่งนะคนก็ไม่ได้ไมไ่ไม่ได้แน่นอะไรสถานีนึงก็มีผู้หญิงนะอุ้มลูกมาอุ้มเล็กอุมลูกตัวเล็กมานะแกก็กระเถอบให้นั่งกระเถอบให้นั่งบอกว่าเป็นเรื่องเลยนะเพราะว่าผู้หญิงนนั้นเนี่ยเป็นพวกวันนัจันทาน แ้แกไปทำเงี้ยกับคนที่จันทันเนี่ยก็ถือว่าแกอยู่ในวรรณดเดียวกันปรากว่าคนในรถนี่คนที่นั่งใกล้ใกลแกไล่กันเลยนะไล่แกกับผู้หญิงและลูกเนี่ยให้ไปไปนั่งที่พื้นแกก็ไปนั่งนะทั้งที่แกก็น่าจะโม่น่าจะปฏิเสธนะเพราะแกมีตัวอ่ะเพราเ า, เ, าเราตั้งใจว่าจะล่เที่ยนที่บบอินเดี ย, เข า, ายเขาไล่เราเราก็ไป แล้วก็ไปนั่งกับผู้หญิงคนนั้นนะตรงตรงพื้นรถไฟนะซึ่งก็อยู่ ใ, ใกล้ๆกับซุวมนั่งจองแล้วกแกก็มีความสุขดีเห็นเด็กอ่าก็ให้ขนมเด็กสักพักเนี่ยสักชั่วโมงเด็กที่ล่าวนนะ้แ ม, ม่รู้ทำยังไงท่านอาจายบงก็บอกก็เอาน้านในห้องน้ำเ น, นี่ยล่า พอลาดไปลาดมาน้ำไอ้นาำที่ใช้ลาดคีเนี่ยมันก็ไหลมาที่ตัวแกที่ที่แกนั่งแกก็ต้องลุกต้องเถิดต้องหนีนะแกก็ไม่ไม่แก้วเออมันก็ดีเหมือนกันนะประสบการณ์คือแกมีประสบการณ์ที่เรียกว่าหลายอย่างที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็จะมีความทุกข์มากแต่ตอนนี้ พอตั้งใจว่าจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียก็ไม่ก็มีความสุขไม่มีความทุกข์อะไรอันนี้คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเร า, เราเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะมันจะช่วยทำให้ความชีวิานี่ง่ายขึ้นเยอะแม้ว่าจะต้องไปเจอห้องพักที่ไม่ดีไม่ถูกใจเจออาหารที่ ไม่อร่อยนะเจอแดดที่ร้อนเจอเพื่อโรงงานที่ไม่น่ารักนะแต่พอเราเริ่มที่จะทำใจ ย, ยอมรับได้นะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นปัญหาต่อไปแต่ลองสังเกตดูนะพอใจเราบน่นใจเราโวยวายใจเราไม่ชอบนะจะด้วยความโกรธหรือด้วยความรู้สึกไม่เป็นธรรมก็แล้วแต่ นั่นคือเรากำลังสร้างความทุกใหกับตัวเราเองไม่ใช่เขาเสียงที่ดังนะถ้าเราไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดคุยในโรงหนังเสียงโทรศัพท์ในห้องประชุมเราไม่เคยสังเกตหรอกที่เราทุกข์เนี่ยเพราะใจไม่ยอมรับไม่ใช่เพราะเสียงแต่เพราะใจยอมรับได้เออมันจะดังก็ดังไปหรือเห็นว่าเป็นธรรมดาหรือบางทีแผดังไเห็นว่าเป็นธรรมดาหรือบคงทีแผด เปิดโทรศัพท์เสียงดังนะเพราะเขาคงจะมีความทุกข์เหมือนกันวิธีนี้เป็นช่วยทำให้ยอมรับได้พอยอมรับได้ใจก็สงบดังก็ดังไป <c oughs> แต่ปฏิกิริยาคนเราเนี่ยนะพอมันเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยเนื่องจากานิสัยที่สะสมมาเนี่ยมันทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านผักใส ทันทีเลยนะถ้ามันเป็นไปโดยไม่รู้ตัวแม้หลายคนที่บอกเออจะยอมรับให้ได้นะแต่พอเจอข้อจริงมก็ลืมนะลืมเรื่องที่ตั้งใจว่าจะยอมรับให้ได้เพราะปฏิกิริยาที่หรือนิสัยที่สะทนิสัยที่สะ ส, สมมามันทำให้เกิดปฏิกิริยานั้นทันทีเลยแต่ถ้าเรามีสติอยู่เสมอเนี่ยนะถ้าเราเจอเราสติเสมอเนี่ยมันจะช่วยทาให้เรารู้ท่ทันมันได้ไวขึ้นไวขึ้น คำเตืนตรองอยูเสมอว่าปฏิกิริยาของเราเนี่ยคือที่หมาองความทุกข์ยิ่งกว่าสิ่งที่เราเจอสีพันธีที่ไม่ชอบพัน ท, ที่ปักสายแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนมันก็ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเราอาเคยได้ฟังเรื่องราวขอ ง, ล, งลิงนะลิงมันไม่ชอบกระปีนะลิงไม่ชอบกระปี่ยถ้ามันโดนกระปีเมื่อไหร่เนี่ย มันจะทุกข์มากเลยแล้วสิ่งที่มันทําก็คือพยายามที่จะเอานิ้วเอามือที่ถูกกระปิเนี่ยขูดกับถู ก, กับเบิกไม้บางถู ก, ก้อหินบ้างแล้วก็อย่างที่บอกมันกับคนเรานะไม่ชอบกระปินะแต่พอถูเสร็จก็ต้องกลับมาตม้มต้มเสร็จไม่กิกะปิก็ถูใหม่ถูใหม่ถูใหม่ถูจนบางทีเลือดไหลนะเพราะว่าหนังถลอก ถ้าท่มีกลิ่นอย๋่มันยังถูอยู่แม้วทั้งเลือดแม้ว่าเลือดจะไหลยังถูถู ถ, ถูเป็นแผลนยังถูถูถูถูมันจีเป็นแผลเบิกบาเลยจนกว่ามันจะเลิกถูคำถามคือว่าอะไรที่ทําให้ลิงเนี่ยมันมีแผลอะไรอะไรทําให้ลิงเนี่ยมันมันเลือดไหลนะคนมักจะบอกว่าเป็นเพราะกับปินะที่จริงไม่ใช่เป็นเพราะความเกียกับปิลังหาเป็นเพราะมันยอมรับ ก, กระปิเพื่อได้ กะปิไม่ทำให้มันเลือดไหลนะแต่เพราะการที่มันยอมรับไม่ได้การที่มันเกลียกกะปินะั่นทำให้มันเลือดไหลเป็นแผลคนเราก็เหมือนกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ได้ร้ายเท่ากับใจที่ยอมรับไม่ได้ใจที่บ่นโวยวายตีปตวยตีพายหรือใจที่ชิงชังใจที่ผักใสแต่มีสิ่งมีมีไม่มีไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่กี่อย่างที่จะช่วยทาให้เราเนี่ยรับมือกับมันได้คือสติ ยอมรับมันสติทำให้เรารู้ทันทำให้ใจนี่กลับมายอมรับเห็นความไม่พอใจก็เออแค่ก็ดูรู้มา น, นีเฉยอีกอันนึงคือปัญญาที่เห็นว่ามั น, เ ป, นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาโลกนะอย่างที่ผู้ชายคนนั้นนะที่เป็นมะเร็งปากแกก็ดูเสียน้นจะเกิดปัญญาเออความทุกข์เป็นธรรมดาโลกเป็นธรรมดาของมนุษย์อันนี้เลยเป็นปัญญามกันนะ การเหรอเป็นธรรมดาแลนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราฝึกนะพยายามสร้างสร้างพยายามสะสมไอโอสด ต, ตรงนี้ไว้เยอะๆหน่อยนะทำโอสถนะคือการที่ยอมรับทุกอย่างได้เริ่มจากการฝึกเริ่มจากฝึกยอมรับสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆนะแดดร้อนฝนตกเนะมื่อคืนฝนตกอ่ะ ลองฝึกว่าเออเราอยอมรับมันได้ไหมแด่ร้อนเสียงดังนะอาหารไม่ถูกปากที่พักไม่ถูกใจนะฝึกจากฝึกกัสิ่งเหล่านี้แหละฝึกให้ใจมันมันสงบลงเย็นลงไม่โไวยไวาไยไม่บน่นถ้าเราฝึกใจให้หยุดบน่นหรือบ่นน้อยลงนะเพราะยอมรับได้ไม่ใช่ประกดข่มมันเนี่ยพอถึงเราพอเจอเจอวิกฤต เจอเหตุการณ์ใหญ่ๆเช่นเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายจเจอความพัดผ่าสูญเสียล้วก็จะยอมเราก็จะผ่านมันได้ดีขึ้นเพราะเราจะยอมรับมันได้ง่ายขึ้นอ่ะละก็ชาริพุทธนี้